อืมอ่าขอัติต่มาฟั้งไปหน่อยโอตูฟังเอาคำคำตั้งสอนของปเจ้ามาเราตูฟังโดาะวนนี้ครับ็มมีโอกาสดีอ่านเจ้าว่าพ่อมอบของตนนั้นน่มอยากสิพี่น้องอาผมพอเผยอะไรอยากเปิดบ พวกช่วงติดพิลลาร์ต e ั้งปัตเมืองไทยเปิดวัดราเนนุญาตแตได้เขตแม่เดลวารุภูบา่างนีเจะได้นุญาตให้วัาเป็นที่ติดอาณหามาจากเมืองโดโลเซียเพื่นตึกิ่นมานร่มตอนเมืองห๊กโมกัวเดียว้นมา เามาเบิกงานสิพีน่อออกคนนั่น้มดึงพระเจ้าระสง์ยัดปีตีามตอบรับหรือรับเป็นวัดใ้สมบูรณ์แบบยเฉพาะการขออนุญาตต่างวัดต่างว่าเป็นของงานเมอเวลาใดแล้พ่อกันรวมกระดมโสนนาเพราะเป็นมอรดบของประเทศทาติเมื่อกระดบของออกคนนั่งโน้มลกตามต่อไปซื้อวัด พ่อม่บ้านได้วัดเต้นวัดตายได้กายได้ไหววัดปราชา์เอาคำอิมิน่างดังวัดใจให้ใจนิ่งสงบนะไปวัดไปทำบุญคือทำสมองให้เกิดขึ้นในใจสมองกระดับก็กระดับมาได้ฟังคนเกิสมงฟงคนก็เปสมงไปกระนันทั้งคำทั้งสองของกุเจ้าวคนทังเบาไหววัดทังไหญ คำท world, uh ี่เราตั้าคตในตัรูอยากติสามั่น้นค้นธรรมดาสิทําไใดบคนค้นธรรมดาได้ห็นได้ทั้งได้ลงผูเลิรผู้ประเสรอรจิตใจเลอร์กระเสอร์ท่านพระเจ้าะสมคนละนถอนคนควายคนว่าคนกินคนจามองค์ความองค์ที่สองถูกเต้ถูกเยาถเต้พอหลกน้มูต่ำตัวคนติดอดร่นเพิงได้ นี่อยากคว่ำบุญไหวของโลกเุณนขึ้นท้นได้หาอะยรยากวะผู้ิึกษามาาพอคุณนศิบัติท่างนี่ผู้ที่จิตใจสูงตั้งใจได้ทำได้เวลาเปิดวัดมาเราจะไ่พวกพ่อมาเห็ดแน่ถผงกว่าเป็นวัดกายวัดระาาวัดใจเอินมาแสดงผมก็จะขอม่าไปวัดป่าตะทอกทุกน ก่ามันมาผลในผ้าด้ว่น้ำปากนพำฟองนี่ด้วยน้ำใจคือพวกเสียมาผลมาผลในพ้านี่เขาพูดที่เจ้าอาหารจิ๋นอาหารขมาสคนพรว่ามันมาสอนผีนคือพวกลารเขาบอกว่เป็นพรติดเรื่องถามใจนั่น้หละแต่เป็นพรก็เป็นผู้เสียขับของพวกเจ้าว่าขอวัดเห็ดน้เขอวัดดอกอันว่าเห็ดทุ่มือ ก็วยกันเผยแพ่พระพาสนาพุทธก็เลยตัดเอยกันเผยแพ่ได้กนพระสงฆ์เหตุกางณเดียวนี่โดยชาวบ้มือนีนะเอาสมผู้บานอาผู้รักผู้ใหญ่วเาจะเตกดบล็อกไอ้หมอนหน้าแล้วายาบ้านเขแล้วก็บอกที่สูงกปฏิเสให้ายดที่สูก็ปฏิเสให้ตายทำเรา หายไปสุด้วประเทศไทยเป็นรับหนึ่งของโลกมันไทยมันป่ะถ้างประเทศผมมาฝือพ้าอาศัยไปบนของกรมเกษตรเขาดำเขาด้วยคนโกเขาต้มเขาตอกพ้วนเขาเอื้อตัวเขาหั่นต้มขื่เขาหาฟอกรือแต่มงินกุ๊ดเพรอะงั้นนะพอเข้าของก็ต้องำูุ๊ มันทับคกับนี่สันตนี้ปัญญาสิว่าควารับรู้ไม่กวนถามเรียกว่าปัญญาเฮ้ยแต่วันนี้มันสินมันฟังรู้ฟังนี่ถ้าขังข้าเรี่ยงสมมติระบายนี้อ่าสินถ้าาเรี่ยมีคนมาถือสินถึงหาดีคนบ่แต่ก็าถ้าไครเขาพูดถ้าใครเขาพูดแต่รั้นสินมันฟัง อยู่ต <person> ล <comprend> ังตะออกตะวนะออกเลยเป็นกิอาหต่างบต่างกรรมวิญญานะครับองผู้ณยยองคุณยยป็ดยินสิวัดจิตอานาเติมอ่ะเกิรอรขึนเลยฟังเป็นสติทั้งมกระนุกเมื่อฟาวยตะแดกตกฝนนะเมื่อตะวันในฟ้าด้ยแกตกฝกก่อขวดด้วตกินกระเล่ แต่มา่อ็พ่อเด็กกพอเต็นจะเกยแจ๊เต้นตะเกียแจ่ใจพนมันถี่รัวสายมันแจ๊กเย็นยี่แกแต่เดกนคนีนเียนเปเจ้าพครูบาอาจารย์จู้บาอาจารย์ตะกอนแบกทบาเมือเป็นยสองบาต่ขลงปุ้ใหญ่เาตะกอนเห็นท่าหันทุมืัอนี้เป็นแสงเป็นล้านก็บพอตายตั้งเลี้ยงตั้งหัวจชวนคนกิเลยรู้ กูเก้ว่าเนนี่ีคนจีบคนเขาสั่งค่เครื่องคนนี่ชืออะไรตะเ็บหรือข้าวเป็ดจะของเล่นี้นี่ย ก, กูของกินวดนกัดอันนเนเขาไอ า, าหารสร้างมาเต็มโตเต็มนั่นจิ้มกระตัเจ๊เอดไม่มันจะไหนปฏิปไต่เลือหน้าค่อยเอาวนเด็ก สามโดสสามด้วยมือเงาะางแต่ขายเพราะเราฟองมือเงาะคุ้มบ้าแต่ขายไปองคูตามประบติเขาเขามีมันไดจากทีคือมือข่ปนไาวะนปว่าเขาบอกว่าไม่แล้วเขาินต์เราเก็ไปเลยใจก็ไปเลยแตงรดเขาเขามีเลยสร้างตับงประจันกินก็กินหมดนิงปนนาวะนั่นเห็นบอกก็ว่างแต่กันถาใจไหม กาตั้งกยยังว่าม e e ัถจะทานได้สะอาแล้วก็กินกับน้ำแล้วก็ะกินด้ก็ขยับถึงเต็มผุงตลอดกระดาไปเลยใจเขียนใจส่บอกอัด้นเ้งหมดเต็มถุยไปทานเต็มโต๊ะกินไปหน่อยเรจะไปเกื่อนหน้าค่อยเอาขุนเห็นบหมันนักดื่มมากขายของเอาแต่นหน้าจะเอาว่นะไปร่างรวยร่างจางร่างของไปถิ่มแท้ถิ่มดินรู้ เห็นว่ามีใจดีคนไท้เป็นตัดทายไงต้องมาเป็นทายไงดี <c oughs> งดกว่าจะลดนั่นไหมแต่แจเฮ้ยฝักการแบงแยกแท้หมดเล้วข้อพุทธศาสนาของคนเจ้าหาพันปีนี่ยกอดไปฝันไปเป็นที่ไหนก็เพาะคนขาบรรทัศบเนี่ยเราได้ความีสมาธิบวามีเป็นยาเพ้าไ่ด้ว่าจิตหุดกเรื่องของโลกน้ม า, าม่ท่านของโลกเด้วมีคนเกิดกินไดนน้ก็มีแล้ว รถก็มีคพิขับกันนีแล้วรถก็มีมั่นกับมีแล้วสิแรงทันป้องสิ้นตุดรถแต่ว่าของผู้คนเจ้าสิน้นสุดเองลูกบาลังสามห้าตอนนั้นตอๆๆๆมีเตอนนั้นตอมีก็ขอช่วยสองสามเ่ลูก็ต้องไอ้่สมัไหนไม่ต้องขอรักษาตายรักษาแต่กันไหนก า, ายสังขารน้่งกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตาย ท้องใหั้นตังเรเห็นตามก้อจริงผเจ้าเรื่องเขาเรื่องจริงความข้อจริงเขาพูดใเจ้าเขากว่าว่างเดียวเามู่ยากแตง่ายรักษาป้อเพียงป้อแต่งป้อไปแตแล้วอยางไปน้ำผมตึงเขาก็จะน้ำแตงดีแตงดีรู้สาเป็นบ้าชัวผมดดีก็แตงไม่ด็บดีีก็แตงไม่ขาตาดีดีกแตงไม่นผิดดีดีก็แตงไม่ดังดีดีกแตงไม่ เมื่อนั้นมังสั่นแตะในแตไไนแต่มามิตลกมาเร่งเด็กมือเดียวเดียวสามสีสีสีเล็กืสี่อใต้งกสี่ยงทางันเนิบนกิดนิสม่อมม่อมไ้คนดีเกียดดีผ้าทุกงานลงบากลจเั้นมาหายเจนันมาหายพวกเพื่อนจะล่อมคืออุปนเจ้าวทุกคนหนึ่งมมาหาพระหรือจะพระอางนี้กองน้มถันก็เป็นด้วย่ก็มีน้าปวด่ก็ันดันเด็ก โยมโยมหน้าบ่มีพระคุณพระพเจ้าตอนอนนั่นแล้วเพื่งของตนจากให้แน่นนะพระเจ้ากรสงุ่งกตีให้แน่นนะภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรองเราพระเจ้าตอนไหนว่ารถหมาย่เขาอ๋อเขาเห็นว่าแดงนั่นแดงนีรอตามก็แต่ในรสงสารส่นบอกก็เรแลอให้ใจใมันก็่เดียรที่มันนรก มอนร้อเตะดำด้วยเขย่าเาถามไอบุญถามไอ้เจ้าพีแม่าโน่ร้องก็ดำด้วยเขย่าก็เห็นบุญก็ต้มาจักแล้วว่าดำ้วยเขย่าเป็นมันร้องต้องเห็นบุญต้องก้อนบอกในร่ในใจเห็นบุหนึ่งนาทีเอนกินเห็นตะบันบ่ยุงบสหนกบุส่โลดกุญใส่รักกุญใสเห็นตะล้มโตอยู่ก็กล้ง เป็นรักษาย่งร่างกายใจมันก็รักษามดเลยารใจัก็ได้ซื้อไได้ซื้อลงปู่ก็บอกสิมาได้กบอกนั่ันก็แม่นสิเดกคนเห็นตะเกียวก็รักานั่งทุ่มมือทุกมมือมืออะไรนั่นที่นะร่าทกายได้เกิดใจหมดเกิดน้ำมันสิเกิดน้ำเกลืองาสินเด็กคนย่ง ใจก็ไม่เห็นคุณมัวใจก็ไปทัับไปไปยาพุ่มไม่มีศีลจำไปยาพภูมทั้งสี่เป็นที่ฝังได้แปลกร่างกายทัดโดยฐานคนถูกคนหน้าคนหูหนัวคนตาบอมคนเปนคนติการเต็มบ้านเต็มโลกทุกคนุณได้แก่กันถามเขาเขาจะแกพระน่กรรมน่ตัดีโกโคตัโลเป็นไปตามกรรมเราคำในเว้นก็ไปถาทุ่คนแต่คุณได้ิดไปเมื่อไรก็ควจไปมื ไ่ไงไม่ไงเจ้าตางบกกันไปว่าจะไปทำบุญเจ้าทำบุญบ่เจ้าเห็นทำไปทำบเอายังตอบเขาี้เขาอบเาจะมแต่งบานแต่ไ่ไง่จากนั่งนลับไปยั่นั่งอกได้บุญ่ดมาเขาก็เด็เป็นข้นเาทเด้ก็ด่างกายนเขาได้แบบพอคนมีคนทำพอคนสิ่นทำ มนุษย์จะทำทัานของมนุษย์ในหัวใจไม่มีเอตตุลกายฉันนั้นฉันอยู่พุทระเภทเป็นทังใดตุลกายเป็นังใดอันนี้ขอมันโรยมือัฏิติพิจิตนั่น่ะก็ะันอยากให้ขอวัดทำบุญเดยมืดปฏิบัติาะไปบุญไหวดีกว่าไปบุญไหวพระที่ไหนไ่าในพระสานตหลวงปู่อาหารพระนนนี้มนต์กับวัดนั่นโกง วันนี้หลู่มนต์เอาบาตมาอีกนิมนต์เอายาบมาอีกนิมนต์าตก้ามาอีกนิมนต์เอารถมาใส่หลวงู่วันสนิเพื่อให้พัฒน์หลวงด้วยพระสมรักษาของพระศาสนาพุทธปฏิบัติสิทธิศุกร์ธรเนียกอุาตัผู้ชายิาโดยผู้หญิงด้วยพระสมรักษาพระศาสนาทม่พูดว่าบอกอาหารในบาเพราะวันนี้วนนงู่กบั ลุงพูดกันซ้ใยแน่ล้งพูดกาแน่เกเด็กฝั่บานตะวบ้านทัพุรนั่งพึ่งลมหายใจออกอันนี้ลุงูประกาศหาได้หนอยที่มีพมตั้งอกตั้งใจถือสินแปรตลอดเลียงจบลุงพูดจะออกคัดเทอมใหม่หึวันสิบีู้่มาตบักนนี้มีล่อยกัวันด แต่เก็บกว่าปุตไธยถึงยี่สิบกว่าปีนม่เด็กน่อยที่นพาสหน้าสดนไงเหมือกันหน้าันดอว่าขมิเขาขมิทธ์ว่าุท่ารรมขมิทดอกสิบปีเสียพักผมก็ได้เป็นพัะพุทธชินคุณได้เลยเด็ผมก็ได้เปิดพุทธบุนคุณนน้เนว่าเพอผมก็มีบุญก็มีบุญเห็นเอาทีอาหารมันได้ชันหอด พาก็ตั้งแสันต์เสมอของรอเกลื่อนเนเห็นบ่และเทศแบบก็เห็นดไายก็เห็นบุญเมื่อพรก้มก็ได้วันนี้บึเก็บก้นใจได้เป็นพระมึงก็อดออนหลับแล้วา็เขามีปัญญาขาดคนเดียวว่ามันขาดเนื้อค่อขาดท่ำผมเขามีสมาธิเขามีปัญญาเขมีกล้องหลับตูเขาเป็นทลองได้ที่ปัญญาไปมาคนไปพามไปคลองเขาได้นี่ปัญญไปดก แต่ว่าทำใจได้ว่าเห็นจริงว่เห็นตามคเป็นจริงของพระพุทธเจ้าว่าพี่ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดทั้งทางร่างกายเป็นเรื <c oughs> ่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแกแก่เจ็บตายนะกบาลีปนเ้อกล้ามสาปรด้มีรุ่นปญจบาลี่รักษาใดคือร่นปญจบาลของพระพุทธเจ้าโามรรมทโอสทั้งโอตมังกรังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นูสถอนุรุมนะ แตุ่ผู้ชนี่ก็เขาเนี่หละคุณมาวัเดเบิ่งรถล้มหายใจออกวันถึงนั้นพระพรเจ้าไม่รังเสียตละัโลกถิ่อามว่านางเบิ่งลมหายใจเขออ่าอ๋อแม่มาแป้งใจมารักษาใจใจแก้วเป็ยนเก็บก็เป็ น, ป น, ปนตายก็แป่อาหารใจมันล้มจนเดียวแต่มีลมใจกันนี้แล้วปีใจมันมาได้ลมเื่เอ ยหาย่กวเจ้าหายแต่เ่าหเห็นว่าอะไรคบอได้ ก, ไดดกินนั้นเขาผู้พเจ้าหาแท้ต้อแท้ใเขาเปียกพู้พรเจ้าตัวเป็นมาหามาสอนในวันเดียบผูพ้พเจ้าได้ดูได้เห็นแล้วเปสงสารสัตโลกก็เลยว่าแล้วคนีนั้นพระบรมโูของเธอทั้งหลายคือพระธรรมิีในรัตนคดไม่ได้ไปไหนอยู่ในใจของพวกเธอทุกาทุกรูปทุกผูทก้ทุกคนเข้าใจว่า ทับหัวใจแห่งเดนปกติเจ้าไอ้นี่ผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานรู้กาไปดูรูแกงโลกปะก็ไปดูของโรกมันวนมันโยงผู้แ ก, ก่โลกพระเจาแนแผ่นแ่ น, น, น, นั้นผ้าทับปูนผ้ปฏิบัติบุรออยู่ย่างอยู่ซ้ำอยู่บัอยู่ตอนกมีสัตักูเจ้าคนรัรูเพราะสัจักทเดียวหากเราคนเดัตตรูมนนี่ว่านี่ปใส่นั่งกุ้งหัน อันนี้เขากิดขึ้อกันก็ประด็น <quer> ั้นเมืองล้มหายใจคอแค็หนึงนที้ือถือพอดมันบอกว่ามันล้มอยู่เพดกปไหนไม่ได้ก็ติดตัวเริ่มัดไปทาบุญทำบุญมาทำบาปบอกว่าทำบุญติดตัวแบบควานี้ติดตัวมูอขวาอีกกันี้เชิญปู่ขวาไ้ทาบุญวัดตาพรน้ำไปวัดตัว เกอนมากไต้องซื้อสัตย์พึงจิเลี้ยงโกหกตนเองประเด็ว่านั่งรับมืรักตาไม่ใช่หนักประเดนอ๋อปิดมูอใช่ปิดตาท้องข้างปิดปากจะป้าแล้วนั่งทำบุญจะให้สนใจจุดนึงสนใจภาคปฏิบัติก็ตันจะกลมในแว่นขอถามน่ะเสียใจที่ตุ๊ต่อบเขาประเด้นใจตุ๊ดวงอยากเกิดมากเป็นมนุษย์จากปกติศาสนาจากปฏิบัติธรรมตนเองมันมีร่างกายก็เลี้ยง ไก่มาเป็นต uh, ัว so, ป uh, ูแ so, น um, oh, ่เด็กอันตัว so, ปูเป็นทเป็นแก่แกเป็นเป็นหนังเป็บเป็นเป็นหนังเป็นตายเป็นมันก็เป็นอู้พราะเราบของคุณพ่อคุณแม่เกิดเราแก่แก่ตายเกิดโลกเมื่อไร่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟฮะซีตัวหาขึ้นตากลู่ขึ้นใจน่ะจะเป็นโสโคร่หองขึ้นใจเนี้ยผมนม่เห็นไลยคุณนี่ทุกที่สุดคือหาที่เกิดเกิดก็ได้โดยเฉพาะตรงนี้ผู้ฝานทีด่ากี่คน วัยคนเกิด hmm. น no, like ันได้สองคนผิดไปเป็นเกิดใจไปเพรามีสินทักก็ตัดยันก้าตกของนรกอย่าเนี้นะโมเพลานั้นพยายามเนนนักพักปฏิบัติไบ่ได้ซื้อไม่ด้ือร่มคู่บอกทนั่นุกคือคุก บัตเขาไปคนเรียกวัติยาอหลโดยหน่พกทีตงหาบัเกิดมันบเ็นนาคนมีเสียงมาได้กลับเสียงเก่ากในเว้นกมนุ้นน่าวัติโลโกเพราะว่าที่ไตรงไปกำนั่เห็นานี้เาไรัเาเป็นอย่งนีเป็นย่งนีก็ไปหนีได้หนีก็แล้วแต่หาชู้หกคิงยากไปนั่นไปนี่ไปได้แต่บัตรในใจมิได้เจ่ากำในเว้นเป็นวงการเรกำนู้นน่าวัติโลโก้แต่โรคคนไปทกรรมนั่น อยากมดักงใจรู้ต้องไปถามเขาเนรู้มีเขาเบิ่งใจได้เกินนแต่เกิดมาเอาถามใจยอของอะไรแต่ทั้งบุญก็ทั้งข้ามมาหลายก็กันรักษากายก็รักษาใจอันใดรักษาหลายก็กันเลี้ยงใดก็เลียงตายแก้ายก็แก้ใจอันใดแก้หลายก็กันถามก็ไปไม่หัวใจหลกของไ่ต้องไปถามที่ไหนหาพระพุทธเจ้าใส่หาพระพุทธเจ้าให้หัวใจเรากำเนิดประกาศเสียงรบจะเห็นงามสมดีแล้ว ถูกค nice ุณนะของดีของพู้เจ้านั่นทำดีทำดีทาดีพื่อดือดร้อนตนเองและคนอื่นท่าดีถูกก็ทำดีถูกใจเดือนร้อนคนอื่นคนจี้ขาดีเขาได้เดือนร้อนคนอื่นเจ้าของเดือดร้านนี้ถูกจำแนงจำเรียนจจำเสด็จังหวัดจังหวัดเต็มไปหมดผู้เจ้าก็สอนสิจึงไปยุ่งนั่นหันผเจ้าก็จะสอนในคนจี้ขาดีสอนในทำดีแล้วก็เราจะทำดี โอ้ยจากเป๋าเอแสดวิธีกรรมต่างๆเดี๋ยวเขาเ็นเราทมากกตัว่ลวงปู่ีแล้รวน่าคุณกุศลนำคนในพิธน้องกวาทั้งพระเจ้าพระโองได้ไหมรวมอนุโมทนาเป็นวันเป็นว่าอนุโมทนาติดตามปฏิถารเด็ดหลวงปู่บาดาเป็นกุศลุกุน้อยเทำนี่เป็นกุศกุศลบวกกับพระเจ้าคุศลกุศล แ่จิ Dante, ทั a, да ้งหลาในสาคนลโลกนี่จะมาร่วมกันจนปุกป <c oughs> ัป <such> ุกปักตานจะช่วงบริบาลจากที่นอกตรงมีแต่ช่วงถูกวงแต่เรือทุกกายทุกใจจากทุกโกโศกทายทงานจิใดทำงานจริงใดปรารถนาจริงใดแต่จงสาเร็จจงสาเร็จสมดังความมุ่งหมาดปรารถนาตรงทิ้ตรงทุกทิงทุกประการเติมประจันที่อะไ คนเราต้องตาทสกข์อคมาทามเอมนุษย์นี่สัต์ต้องันหู